คำว่ารมเป็นความดึกซึ้งมากทางทจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมจะเรียนรู้ทุกทานความรู้สึกทางด้านอิสระธรรมนาเดดนกว่าด้านนั้นเอ ง, เอง คือความซึ้งในการให้ทานคือผมที่เกิดขึ้นจากการให้ทานที่ประจักกับใจก็เป็นความซึ้งประเภทนะึ่งเกิดจากการรักษาสีน์ควซึ้งประเภทหนะึที่เกิดจากการทาความดีทั้งหลายความซึ้งซึ่งกระเจิดกระเจิดเพื่อเรียกรับสุนทรธรรมแต่ ท, ที่ที่รวมที่ซึ่งทั้งหลายก็คือพิจารภวนาเรื่อง มีความรู้สึกทราบซึ้งไปตั้งแต่จิ ต, ตนีเริ่มมีความสงบจิตใจยังกระแสเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะแน่จะยังมีอะไรอยู่ภายในจิตที่เรวมเข้ามาก็ตาแต่ก็เริ่มแสดงความทราบซึ้งภายในตัวเองใหเห็นค่านถ้ า, ถาจิตหรือธรรม เป็นจางด้านวัตถุแล้วคนทั้งโลกนี้คงไม่มีใครที่จะไม่นับถือศาสนาศาสนาธรรมเพราะเป็นสิ่งที่โลกต้องกันเมื่อการ น, นั้นคำว่าดีคำว่าสุขคำว่าริษัยคำว่าอัศจรรย์ีเป็นสิ่งที่โลกต้องการกันมาแต่การไหนไหนไม่เคยจุดจาง และยังจะมีความต้องการกันตลอดไปจนกระทั่งโลกนี้หมดความหมายไร้ความรู้สึกรีชั่วแล้วนั่นแหละโลกถึงจะมุ่ารถนาคําว่าธรรมหรือคํำว่าความสุขความลึกงเรืงความอัศจรรย์ที่เกิดจากรธรรมหรือความอัศจรรย์คือธรรมแต่นี้ธรรมไม่สามารถที่จ ะ, ะแสดงออก ให้โลกเห็นได้ด้วยทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหมือนสิ่งมึนหนุ่นแน่จะเป็นนามธรรมค่าคืนกับธรรมกฏธารมเชนกลิ่นทำไมโลกถึงเมื่อทำแสดงตัวออกได้เช่นด้านมาัตถุโลกมนุษย์จะต้องนับถือ ศาสนาเพื่อทํามดูนั้นก็เพราะว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าสิ่ง ใ, ใดๆบรรดาในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นกวามอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมธนี้จะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเด่นชัดก็เด่นชัดที่สิตเกิขึ้นที่จิตจิตเป็นผู้รับทราบ แต่รับทราบเฉพะาะจิตธรานั้นไม่สามารถจะแสดงออกไปได้เหมือนด้านวัตถุอย่างที่เขานำสิ่งต่างๆมาโชว์กันเป็นเป็นสิ่งคือเป็นเป็นความขัดข้องอันหนึ่งทางธรรมที่นำออกทางวัตถุต่างๆไม่ได้ ยิ่งทำให้โลกขาดความสนใจแม่ผู้ต้องการความคึกจันก็ไม่ทราบว่าความสึกจนั้นคืออะไรหรือความลึกซึ้งความซาบซึ้งนั้นคืออะไรเพราะจิตไม่เคยได้สัมผัสกับความซาบซึ้งตาไม่เคยได้สัมผัสกับความอัศจรรย์เพราะไม่ใช่ด้านวัตถุหูก็ไม่เคยได้รับความอัศจรรย์จากกระรแสแสงธรรม เพราะทำะแสดงเป็นกระแสะเสียงออกมาอย่างสิ่งทั้งหลายไม่ได้นีเป็นอุปสรรคที่จะทำให้คนเกิดความท้าทึงในทำไม่ได้เกิดความเชื่อถือในทำไม่ได้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดทุเดมาจัดสรุ้ในโลกและสอนทำแต่โลก ทุกๆองค์แน่ใจว่าท่านต้องทมงคิดอ่านเราสุ่งเหล่านี้มากมายเช่นเดียวกันว่าวิธีใดที่จะพอให้โลกได้มองสห็นธรรมซึ่งเป็นของอาจารย์เพราะเอาออกตั้งหรือโชว์ในหน้าร้านไม่ได้มีอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกมาทางกายทางวาจาเพียงเท่านั้น ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ช่วนให้ดูดีมากมายยิ่งกว่าการสัมผัสด้วยใจมไม่มีทางนำออกได้จึงไม่สมนำออกมาด้วยการประกาศสั่งสอนนี้ทั้งทางเหตุคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมจุดนั้นๆหรือขั้นนั้นๆ น, นและ ประกาศสอนทั้งฝ่ายผลคือเป็นความประเสริฐอัศจรรย์จจตามขั้นตามภูมิหนทางซึ่งจะพูงสัมผัสโดยทางจิตใจจนกระทั่งถึงความอาัศจรรย์อันสูงสุดได้แต่วิมุตธ์ความบุพพนิพพานใตจที่เรียกว่านิพพานภ า, ายในใจทุกทุ ก, ทกทองจำเป็นต้องประกาศสอนธรรมหรือหาอุบายเอา นำความอัศจรรย์แข่งธรรมนั้นออกมาสู่โลกด้วยกระแสหรือด้วยอากัปพิริยาต่างๆเช่นการแสดงและแสดงอากัปพิริยาของธรรมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่องแห่งธรรมแค่แล้วนำออกแสดงไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้อยู่จำเพาะเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นหรือพระอรหันต์แต่ละองค์นั้นเป็นผู้สมไว้แล้วซึ่งธรรมอัศจรรย์ดังพิพอาอัศจรรย์ ดังกลา้ไม่มีองค์ใดมีความบกพรองในบรรดาพระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าพรกพุทโองค์เป็นผู้ทรงแล้วขึ้นธรรมอาจารย์หลวงนี้คืออาจารย์อยู่ที่จิเป็นแต่เพียงไม่สามารถที่จะนำความอาจารย์ที่ปรากฏอยู่นี้ออกแสดงตัวได้อย่างอิทธภูมิแห่งความอาจารย์นี้เท่านั้น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 แล้วสัมผัสขึ้นภายในจิตใจทั้งตนโดยลําดับลําดับนั่นชือว่าอะไสัมผัสธรรมแท้แม้จะมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบพึ่งภายในจิตใจของผู้ได้รับสัมผัสจากการปฏิบัติของตนถ้าพูดถึงอุบายแห่งความถนาดแล้วคมในวิธีการสั่งสอนแล้วก็ไม่มีใครเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้แม้จะนั่นก็ได้ทรงนําออกมาเท่าที่อย่างสมควรจะเป็นกระดานแจวลงมนุษนย์เทานั้น การอื่นไม่สามารถที่จะนำออกได้เพื่อนความอาจารย์ในทระทยจริงๆที่จะนำออกมาพคฆาให้สารโลกได้ผลวันวนี้ความอาจารย์ของตถาคตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นอย่างนี้พวกขันทังหลายเห็นไหมอย่างนี้ทำไม่ได้นี่ความอาจารย์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแต่ก่านที่เด็ดครอบงามอยู่เป็นเหมือนกั บ, บ, บมุงสดมูนแห้งแต่ตอนนี้กลายเป็นธรรมชาติเกลโดยสุดทุกฝั่งหรือเป็นผู้ธรรมชาติที่บริสุทธ อัศจรย์ขึ้นมาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมนี่ดูเอาท่านหนึ่งท่านทำอย่างนี้ไม่ได้จึงไม่สอนอุบายวิธีต่างๆให้ผู้ปฏิบัติและบอกเรื่องงาวไว้บอกผลว่าเป็นอย่างนั้นนั้นคือมีแต่ลมพูดง่ายๆนำ อ, อมตะพูดนี่จะเป็นลมปากนั่นเความริง อ, ออกมาไม่ได้จึนอัศจรยันตินี่ ธรรมชาติอัศจรรย์นั้น อ, ออกมาไม่ได้เราจะนำออกมาแต่ทีเรียว่าธรรมชาตินั้นอัศจรรย์ให้เราได้คาดโดยหมายเอ่ว่าเป็นยังไรอรงอัศจรรย์มันก็มาหายสูงถ่ายแต่อย่างไรก็ตามหลักใหญ่คือจะทำให้รู้ทำเห็นทำคือเป็นของอาจารย์หล่นี้ก็เชื่อตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นแน่ เป็นความถูกต้อง ป, ปฏิบัติดำเนินตามระยะลำบากเพียงไรก็ตามทางเดินอยู่ที่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ปิดและเพื่อความสะดวกสบายแล้วถึงที่จุหมายเช่นเดียวกันกับผู้ดำเนินด้วยความลำบากอย่างนี้ไม่เหมืเพราะนั้นการยากหรือการลำบากดใดๆก็ตามเราอยากถือมาเป็นบุญกุรลในการดำเนิน คือการปฏิบัติของเรายากก็ต้องฝืนทุกลําบากก็ต้องผลเพราะเป็นภาระของเราจะต้องทําจะต้องแบบต้องขามในขณะที่ทํางานนั่นล่ะสามารถทเป็นหนงังสือว่าจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตทเนี้ว่าจิตก็เรียกได้แต่ในขณะที่ยังมีท่ามิขันอยู่เรือกว่าจิตบริสุทธด หรือจิตของพระหรหันติตของพระทธจ้ธาเราพูดได้เกี่ยับตอนนั้นเพราะพามจากขันไปแล้วไม่มีสมมุติพอที่จะพลาดผิดเทียบเที่ยงกันได้เลยจึงพูดไม่ได้แม้ธรรมชาตินั้นจะอาจารย์ดิตตามหลักธรรมชาติของตนเพียงไรก็ตามก็ไม่ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะได้พูดไปเรียกไปเทียงได้เพราะไม่มีสมมุติเป็นที่พึงพ่งผิดหรือเป็นที่เทียเท่ยงเส้นเดียวกับเราอยู่บนอวกาศเสียจริงๆเน้ว ทิศใต้ทิศเหนืออยู่ทางไหนไม่ทราบกันถ้าเรามีที่อยู่เช่นอย่างบนพื้นแผ่นดินนี้ตะวันออก ต, อตะวันตกเราพูดได้ทิศเหนือทิศใต้เราพูดได้พ้ามีสิ่งที่พอจะเทียบเทียงก็ พ, พูดได้ว่าทิศใ ด, ดทางใดเป็นทิศของอันไหนทิศเหนือทิศใต้สูงต่ำมันสูงต่ำก็หมายเอาพื้นดินของเราที่อยู่นี้เป็นรากฐานไว้และสูงจากนี้ปัจจัยต่ำไปเท่าไหร่ เหนือไปทาเใต้แล้นต์ออกกันออกไปเลยังไงมันพอพูดได้ถ้าวัดอยู่บนอวกาศจริงๆไม่มีอะไรพลาดพื้นพอจะวัดเนาะมันพูดไม่ได้เลยเหมือนอย่างเราบินอยู่บนบินบนอวกาศแล้วไม่ทราบมันข้ามมันเร็วเท่าไเนี่ยถ้าทานก้อนเมื่อแล้วก็ทราบแล้วมันเร็วถ้ายตาของเราเนี่เครบินมันสู้รถยนไม่ได้ยังไ สายการาดทังพวกเราเนี่ยรถโดยมันวิ่งตามถนนอยู่โอ้โหต้นไม้มันล้มไปข้างหลังมันรถโดยมันวิ่งขนางหน้าแต่ต้นไม้สองข้างทางมันล้มขึงนข้างหลังล้มย่นย้านหลังไปเป็นนันาวไปเลยความจริงต้นไม้มันก็อยู่เฉพาะมันเปจนตัวที่รถโดยมันผ่านไปมันมันมีสิ่งที่สัมผัสพัดพลกดึงแล้วก็เหมือนว่ารถมันเร็วมนท่าแล้วบินไม่มีอะไรพลาดพิงมองก็ไปจะเอวย นก็ว่ารือบินมันช้ากว่ารถเดินความจริงก็เรือบินมันเร็วกว่ารถเดินอยู่แล้วในหลักธรรมชาติในเมื่อเทียบถึงจิตใจของโดยทนกับจิตใจของพระเจ้าแล้วนั่นก็เป็นอย่างนั้นอันไหนที่ท่านบัดดีอันไหนท่านรับกระเสิด์โดยชนล้ำนักจะว่าไม่กระเสิดไม่ดสิ่งที่จะของชอบมันจะเร็วขนาดไหนมันก็ดีอยนะ่างนั้นนี่เป็นอย่าง เหมือนรถวนมันยิ่งเร็วกว่ากับรบินนั่นเองการปฏิบัติจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้ดีจะทันกับสิ่ที่มาเกี่ยวข้องผัวพันในจิตใจเสมอมากเรื่องของใจนั่นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องเองผิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอย ถ้าเรากลุ้นอารมณ์ของใจที่มันแสดงออกถ้เกิดความเดิอดร้อนมุ่นมายเกิดความเสียใจเพราะความคิดของใจเกิดความดีใจเพลิดเพลินเพรความคิดของใจที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็หลงอารมณ์ของตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ความจริงสิ่งมันนั่นเขาก็เป็นมีตามธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้มีความหมายในเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นตัวให้ความหมายแล้วก็หลงความหมายของตัวเอง เราเป็นความดีใจเสียใจกับสิ่งนั้นๆถ้าพุทธเจ้าทั้งหลายท่นานธรรมตรัสรู้ที่เมืองมนุษย์นี่เมืองมนุษย์มันสมบูรณ์ด้วยสัจธรรมคือเห็นได้อย่างชัดๆทุกครังอริยสัจจังก็มีอยกักายมนุษย์มนุษย์รู้เรื่องความทุกข์นะมนุษย์ฉลาดสมักยกายอริยสัจจังก็มีอยู่ภายในใจของมนุษย์ มักทุกปฏิจิตปฏิบัติเพื่อแก้ที่เหลืออันธาสภาวะมนุษย์ก็ทราบมักคืออะไรสิสมาธิปัญญาสรุปลงแล้วเรื่อคํามดับทุกมนุษย์ก็ทราบพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงมาสอนทำในแดนมนุษย์เพราะเป็นศูนย์กลางแห่งพบทั้งหลายเราเกิดในท่ามกลางแห่งพบแห่งชาติศาสนาเราก็ควรจะปฏิบัติ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 ซึ่งเป็นผู้รับภาคหรือชั่วทุกทุก่างจิตใจเป็นผู้ภาพก่อนอื่นยังควรฝึกสติปัญญาขึ้นให้มีความเฉียดฉละดทันกับเหตุการณ์ขึ้นมาเกี่ยวข้องกับจิตวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าหากว่าเราได้พิจออารณารอเกิดทันทุกข์ คือสมุทยัยได้จากความคิดต่างๆจะขึ้นไม่มีเวลาอีกเวลาถอยเลยขึ้นถึงหัวใจเนี่ยตุงแตกอยู่ที่นู่นคิดดูเราพยายามจะทําให้สงบมันยังสงบไม่ได้เพราะเหตุอะไรความไม่สงบก็คือความคิดนั่นเองอคือตลอดวล้วยล่ะคิดต่อไปแล้วก็โอยทุกข์เข้ามาแต่ตัวเองคิดต่อไปมากน้อยอย่างไรโอยทุกข์เข้ามาตัวเองดูอย่างนี้ทั้งเข้าทั้งออกเข้าเป็นสมุทยัย ออกไปเป็นสมุทยัยเข้ามาเป็นทุกขนะ์คือดุงออกไปนะ่ะเป็นสมุทยัยเวาผมย้อนกลับเข้ามาสู่ที่ใจก็คือทุกขนะ์น่ะมันคืออยู่นั่นตลอดเวลาเราจะทำให้มีความสงบเพียงเล็ ก, ลกน้อยน้อยนั้นต้องฝืนกันเต็มที่แม้ทีนั้นมันก็องต้องผลกดันออกคิกออกตรงกันได้ขณะที่เราเถอนะน่นะนี่เรื่องของสมุทยัยที่จะที่ผลิตทุกข์อยู่กับโดยสม่ำเสมอมันอยู่ที่ใจ มันเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกําหนดรู้การแก้าขาไขสมุทยจึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้คอยดจดจ้องมองดูและงับดับมันที่ตรงไห้จะนั่งอยู่ที่ไหนเดินที่ไหนอินญาเบททั้งสี่ดูที่จุดนี้ทั้งนั้นบรรดานันบปฏิบัติท่านทำหนังแต่ข้ อ, อย่างนี้นถึงนัก บ, บวชผู้ปฏิบัติ พะกนยาปาก็เพื่อจะระ ง, งับอันนี้คือหารดสถานที่อันเหมาะสมในการบงเพง็ญแต่ในบ้านกตามไปที่ไหนอยู่ที่ไรต่งางามีความจดจ่อสุบเนื่องกันโดยลำดับต่อความเพียรเพื่อจะถอดถอนสมุทัยอันเป็นเสื่อหนาต่ อ, อจิตใจนั้นมันระ ง, ง, งับดับไปจะมีความสุขความสบายขึ้นมาได้นีเราจะเห็นนะจ๊ะัศ และขณะที่จิตสงบตัวลงไปความทุกขตรงไม่มีความมุ่นวายก็ไม่เกิดะความทุกข์ก็ไม่ปรากฏขณะที่จิตสงบทุกข์ก็สงบไปด้วยเมื่ความตรุงมันสงบสมุทัยก็สงบตัวไปด้วยทุกข์ก็สงบตัวไปด้วยเหลือแต่ความเย็นสบายนี่แหละสงคําในจิตเป็นอย่างนี้ กองอาใช้การต่อสู้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเกียดต่อสู้กับสนครามที่มันเกาะควรอยู่เสมอภายนในจิตใจให้ระงับดับลงไปเรื่อยๆเพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็พอเห็นโทษแห่งความคิดปุ่มทั้งหลายที่มันเกาะควรอยู่เสมอเสมอมาและเห็นคุณแห่งความสงบใจว่าเป็นความสุ สงบมากน้อยกับเป็นความสุขขึ้นมากน้อยตามฐานแห่งความสงบหรือกำลังแห่งความสมงบในตาราท่านท่านคือสมาธิจิตที่สงบลงไปแล้วไปรวมตัวอยู่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตรวมลวมเป็นสมาธินี่สมาธิอันแท้จริงเป็นอย่างนี้ชื่อขอสมาธินั้นมีอยู่ทั่วไปไม่เลือกสถานที่ แต่องคสมาธิแท้มีอยู่ที่ใจทูจะทําให้เกิดสมาธิก็คือใจเป็นผู้ถือผู้ทําไปองมสมาธิมีความสงบต่ก็มีความร่มเย็นเป็นปกมีฐานเป็นของตนตั้งขึ้นภายในจิตแน่หนามันคงมันคอยบอกแยบคอนแพร์เหมือนเราได้อยู่ในตมนไม้ชายคานั่นเองเวลาฝนตกเราก็อยู่สบายแดดออกก็สบาย พ่อไม่ต้องตากแดดตากฝนจิตใจที่มีฐานแห่งความสงบสุภาพนิทนก็เช่นนั้นไปทำอะไรกระทบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ให้ยิ่งเดือดยิ่วายอยู่ไม่ขาดว่าขาดต่อเพราะความสงบเป็นที่อาศัยวางใจการเรียกสมาธิหกเป็นสีเป็นเรือนใจอันนึ่งปัญญาสุอความแยกทายความคิด การพิจารณาสอบสอบังเหตุใ น, นผลทั้งทางหนอกทางในเบื้องบนเบื้อล่าสถานการภ า, ายในร่างกายของเราตลอดถึงกระแสของจิต ท, ที่คิดออกในแง่ใดกิจปัญญาตามทุิพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลตาม ค, ความคิดความตึงของใจที่การสภาพของสังขารที่มีในตัวของเราอเห็นตามเป็นจริยประปีเกี่ยวกับความจริงการพิจารณาทำทั้งหลาย พิจารณาตามความจริงไม่ใช่จะถึงความจริงเกิดเนี่ยก็เกิดมาแล้วแก่ก็แก่มาตั้งแต่วันเกิดแก่มันเป็นลำดับตึนดาอายุปีตื่นก็แก่มาแล้วทั้งตื่นะทั้ทั้งถึงอวัาวะเรื่งชีวิตมันแก่เป็นที่แล้วมันก็จะลายเนี่ยมันแก่มาตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดนะแก่วันแก่เดือนแก่ปีมาแล้วก็แก่มาหลายๆปีแก่มาเรื่อยๆ ร้างว่าค น, จ เ, นเจริญเติบโตนั่นแจกจะเป็นอะไรไปพิจารณาตามเรืงมันนี่นี่คือทางหลวงคติธรรมดาหลักธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเห็นตามสภาพนี้เราอยากฝืนเา้ามันแจกแล้วก็ไม่อยากจะแ จ, จกจับนุ่มอยู่้เสมอจับเท้าอยู่เสมอชื่อว่าฝืนความตึงมันเป็นทุกข์ฝืนมันก็ไม่เลือกแต่ฝืนมันเป็นทุกข์หาประโยชน์อะไรนอกจากจะหาทุกข์เท่านั้น คามสูญความจริงมันเป็นทุกข์เนี่ยปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้อ้าอะไรทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนไหนครับมีหยุดปิยาพอจะแก้ไขกันก็แก้ไขกันไปตามเรื่องมันถูกมันก็ถูกมันไม่ถูกเรื่องของมันจะไปถึงตายมันมันก็ไปให้มันเองเราไม่ต้องไปบังคับมันไห้มันตายเพราะบังคับมันก็ไม่อยู่บังคับมันก็ไม่อยู่ มันต้องเป็นไปตาหมหลักธรรมชาติทั้งมันพิดใจนาตามความจริงทั้งมันอย่างนี้เราก็สบายอามันไปไห น, นใครรู้ตามความจริงที่มันไปมันเจ็บมากเจ็บน้อยทุกมากทุกน้อยจนกระทังถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือความตายในธาตอาหารนั้ที่สุดมัมีทั้งมันคอยทราบตามความจริงทั้งมันโดไม่ต้องไปฝืนแล่ต้อไปต้านคำอยากขึ้นเพราะต้านคำหยากก็คือความบกพร่องหรือความหมิหวโยนั่นเองความหมิหวโหยไ ว, ไว่าจะเกิดขึ้นเวลาไหนเวลาใด ด้วอาการใดเช่ น, นหิวนอนก็เป็นทุกข์หิวข้าวก็เป็นทุกข์นะที่เดยียหิวน้ำก็เป็นทุกข์มันเป็นความหิวเม่ อ, อความหิวความโหยหรือความหิวความอยากที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันร่วงตัแต่เรื่องกออปวนเรื่องให้ปวดทุกข์ทั้งนั้นท่านจิตไม่ให้ฟื้นปัญญาอภิญญาแต่จองตามหลักธรรมชาติทั้งมันที่เป็นไปอยู่แล้วนี่เรียกว่าปัญญาไม่ตึนเตี่ยกันกับความหิวมันก็าสามายเอาเรียนในตัวของเรานี่ เรียนเรื่องความเกิดด้วยเรื่องความแก่ด้วยเรื่องความเจ็บด้วยเรื่องความตายด้วยมันมีอยู่ด้วยกันในก้อนธาตุเดียวกันนี้ในธาตาจากกันแหะเรื่องความเกิดกับธาตุนี้เกิดมาเดินหรือแก่ขึ้นมาแล้วก็แก่ที่นี่เจ็บมันก็เจ็บที่นี่ส่วนไหนจะหนึ่งจนได้มันเจ็บูที่นี่มันตายมันก็จะตายที่นี่เรียนก็ให้เรียนรู้ที่นี่จะไปรู้ที่ไหนเรียนทำต้องเรียนรู้ที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตก่อนอื่นเรียนรอบ เรียนตกเรื่องความความเกิดของตัวเองความแก่ของตัวเองความเจยบความทุกข์ความทรมานที่ตกของตัวเองเรียนตกความต่างตัวเองแล้วมันก็ฉลาดนี่ว่าฉลาดทางกับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่กับตัวคนที่เรียนรู้อัดรู้ทำให้ทังกับเหตุการณ์ซึ่งมีอยู่กับตัวด้วยการปฏิบัตินี่แล้วผู้นั้นไม่หวั่นไหว เนี่ยเดี๋ยวทำเดีย๋ยนี้จริงๆว่ารู้จริงๆว่าฉลาดฉลาดอย่างนี้ให้ฉลาดเพียงจาได้เฉยๆฉลาดด้วยแก้ความสงสัยแก้ความขดมัดข้องเต็มด้วยแก้ความยึดมันดม่นถือมั่นสําคัญปิดทั้งหมด้วยให้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆเลยก่อนนั่นก็สมายขันให้เป็นขันล้นวนๆของเขาไปจะไปยุ่งอย่าไปแยง่งชิง อ, อำนาจโดยกดขี่บงังคับเขาให้เขาเป็นอย่างนั้นถ้าก็เป็นอย่างนี้จะ่าไบังคับเขาเขาเป็นอย่างนี้โดยของเขาพิจารณาตัวเอง เป็นมาทั้งทราบเองถ้าจะรังค้าบังคับจิตที่มีอะไรอยู่ภายในนั้นแก้ไขดัดแปลงจนกระทั่งมันลงในหลักธรรมชาติธรรมสัมังคับเหมือนกันจิตเป็นจิตคือรู้เป็นรู้ถ้าเป็นท่าขันเป็นขันอะไรแต่ก็แต่ถ้าด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วไม่สงสัยตั้งแต่ยังไม่ตาก็ทราบตรงหน้าไว้แล้วตาแล้วจะไปสงสัยกันที่ไหนมันยิ่งแสดงความคิดึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนน่นอย่างทีวายันถามเรียนอย่างนั้นรู้อย่า อาการแบบนี้มันเป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องของโลกเท่านั้นผ่นานหนึ่งขันหนึ่งอวัยวะชนะสี่ขันขันห้าขันสิ่งแรงนันเป็นอาการอนหนึ่งที่เราแยกออกตามสมมติปัญญาเป็นอาการอันหนึ่สติเป็นอาการอันนเป็นเรื่องของใจแต่จำทาเครื่องแก้แกตสิ่งที่มวหมองถ้าล้างสิ่งที่มวหมองออกไป จนทั่ ง, งเกิดความปลอดใสขึ้นมาภาในจิตใจเพราะหนของปัญญาเป็นภูชาร่าง ส, ใสงใสงเลยปลสไปแล้วก็ บ, บริสุธินักแต่นายิงบริสุธกัอพอมนทิงหมดประจากใจต้องการต่างๆที่เป็นเรื่องของกิเลสมันหมดประจากใจใจก็ บ, บริสุทใจบริสุทน่นอชื่อเรียนเรื่องที่ตัวจบอุตตังกรรมะใจยังกตังกรณียางนี่คงกับทรบทนี้ ร็จยุดในศาสนาพุทธมันก็มมน จ, จบแล้วอ <Yeah. S 1> ที่ทำมันยิ่งกวนี้ไปไม่มีที่วันทำได้ทำตัวเองแล้วแต่ <Yeah. S 1> รู้ที่นี่พอความหลงมันมี่ใจนันี้เราเรียนเรียนเพื่อจะแก้ความหลงของเรานั่นเองจะ ร, รู้ที่นี่มันหมดความหลงแล้วจะรู้อะไรไปอีกเนี่ยถึอว่ายิ่งกว่านี้ไม่มีจะหลงมอะไรไปอีก แล้วไม่มีหลงนล้นี่ที่นี่จะรู้รู้รอบขอบคิดแล้วนี่แหละคิดดวงนี่แหละที่กล่าวในเบื้องต้นนั้ น, น, น, นเป็นธรรมเป็นธรรมประากฏเป็นธรรมอัศจรไมายถึงจิตถึงธรรมดวง น, นีแต่เป็นสิ่งที่ ท, ทราบอยู่โดยลาําทําตัวเองเท่านั้นดยูโดยเฉพาะตัวเองอัศจรย์ก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวเอง อาศัยก็ข้างอยู่สิทธิแต่ไม่สามารถที่จะนำออกขี้คายออกโชว์ตามหมือนอย่างสิ่งต่างๆได้นั้นเพื่อต้องการโชว์ของตัวเองก็ให้ต้อประพฤตปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ส ก, กปรกโสมงทั้งหลายออกนั้นเสียสิ่งที่ประเสริฐนับพิการนั้นก็จะปรากดขึ้นในธรรมชาตโดยธรรมชาติขอตเอง คือเกิดแค่ทุจญญอันนีเรียนธรรมจบเรียนโลกจะจบตรงนี้โลกคือโลกแห่งขันโลกแห่งธาตุแห่งขันที่มียกับตัวของเราเรียนธรรมก็คือ ท, าทําทพานไหนจะว่าไรจนกระทั่งถึงนี้มุติธรรมจบเรื่อการทำงา น, นเรียนโลกก็จบเรียนธรรมก็รอบก็จบหายสงสัย ไม่มีอะไรที่สงสัยตออีกตรนะก็ดยู่แคือถ้าเป็นอย่างนั้นนะสงครามก็ตะงับดับหมดสงครามระหว่างติดจะพิเรลสเลื่องระหว่างทำกับพิเรลสมันก็สิ้นสุดกันไไหมดนั่นรู้พบรู้ขาดรื้กันที่นี่รู้กองทุกข์ในวัฏสงสารคือกลายเป็นเป็นนักกองเสื่ยวในวัฏสงสารก็รู้กันที่นี่รู้กันที่ น, น, นี่รู้แล้วก็หมดปัญหากันที่นี่ โลกกว้างแสนกว้างไม่มีอะไรตุ่ปัญหามีปัญหาเฉพาะเรื่องใจเท่านะั้นเองใจที่หลงตัวเองคับหลงสิ่งทั้งหลายงกแย้ตัวเองที่เกี่ยขว้างกติกทังหลายลงเดินสิ้นเพลงไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หมดปัญหากันแต่นั้นแต่นั้นแล้วไม่มีปัญหาจนกระทั่งวันนี้ผ่านอืียน ท, ทนําจบเรียนหนี้เรีนโมกท่านขันจบก็จบตรงที่นี้ลังพยายามทํา ไปให้เห็นธรรมอัจารย์ดังที่กล่าวแล้วในดวงตบพระพุทธเจ้ากดีพระสงฆ์สววาวกอีท่านมีธรรมอัจฉรย์อ ย, ยู่ภายในพไทยทใจเราก็เป็นุกิษสถาปนิสิีธิ์อันหนึ่งที่จะสามารถแสดงความอัจฉริย์ออาได้ด้วยการปฏิบททัติธรรมะอาสามให้บริสุดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเป็นกนาให้พยายามทำให้มันปลอดยให้สงบ ความพยศก็คือความจู้ช่า่นั่นเองความหาพยศก็คือความสงบถ้สงบแล้วประสบถ้าไม่สงบแล้วร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ที่ไหนก็ร้อนเปนถ้าสงบแล้วอยู่ไหนก็เย็นได้เย็นที่ใจนี่อ่ะทำให้ใจยเย็นร้อนกับตัใจร้อนไปเป็นอย่างหนึ่งร้อนใจมิร้ายิ่งกว่าไฟพยายามดับไฟที่เดชนาเพราะว่าที่มันเป็นอยู่ภ า, ายในใจนี้นนมันเดิมแตธรรมชาติ ทําแทนแล้วก็เย็นไม่มีการมันเปสถานที่เดว ล, เลาไม่ละอุตสิตรงเพียงแค่นี้เท่าแล้ว